วิชาภากิโนธรรมะอวิชาภากิโนธรมมะวิชูปมาธรรมะวชิรูปมาธรรมาบาลาธรรมะปัณฑิตาธรรมากันหาธรรมาสุกาธรรมาตปนิยาธรรมาอัตตปณิยาธรรมาอธิวจนาธรรมะอธิวจนปทาธรรมา นิรุตติธรรมานิรุตติปัฏฐานะปัญญัติธรรมาปัญญัติปทาัฏฐานะนามัจจะรูปัญจาอวิชชาจาภาวนหาจาภาวติติจาวิภวติติจาสาสตดิติจาอุเฉดดิติจอันตวัดิติจอนันตวัดิติจา ปุพันตานุดิติจารันตานุดิติจาริการจานุตปัญจาริจา a ุตปัญจารวจัสตตาจปาปมิตาจา a วจัสตตาจกลายานมิตตาจารปฏิคุสลัตตาจา a p so a ิวุฒานักุสล a ต a าจา สมภาพติ l ุศลตาจาระสมภาพติพุท a านาคุศลตาจาระธาตุคุศลตาจาระมานะสิการะคุศลตาจาระอายะตนาคุศลตาจาระปฏิจสมุปปะนาคุศลตาจาระฐานาคุศลตาจาระอัถฐานาคุศลตาจาระอัชวโอจามัตถวโอจาระขันติจาระโสระจันจาระ สาคัญยัญจาปฏิสันธาโรจาอินตริเยสุคุตตาดารตาจาโผชนอมาตยุตตาจาอินตริเยสุคุตตาดารตาจาโชนะอมาตยุตาจาโทัสสัจจัญจสัมปัญญัญจสติจาสัมปัญญัญจ ปฏิสังขานาพัญจะภาวนาพัญจาสมโทจวิปัสนาจาสมทานิมิตันจะปปคาหานิมิตตัญจาปคาโหจอวิเคปจอศีลวิปตีจัดิตถิวิปตีจ้าศีลสัมปตาจัดิตถิสัมปตาจาศีลวิสุธิจัดิตถิวิสุทธิจ้า ดิธิวิสุธิโขปนยยาดิธิสัจปาทานังสังเวโคจะสังเวชนิเยสุทาเนโสสังวิกาสัจโยนิโสปาทานังอสันตุทิตาจักุสเลสุธรมเมโสอปติวานิตาจปธานัสมิงวิชชาจวิมุตติจักเขเยยานังอนุปาเดยานันติ สุตันติกาดุกามาติกานิทิตา